เริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาในความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 0เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆกับเรื่องราวต่างๆเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนอเป็นเหมือนประกันภัยประกันชีวิต พระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนบริษัทประกันภัยประกันชีวิตการที่ท่านมาวัดนี้ก็เป็นเหมือนกับการมาซื้อประกันภัยและประกันชีวิตประกันภัยคืออะไรก็คืออบายนี่เองที่เรียกว่าเป็นภัยต่อจิตใจการที่ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เ, เ, เกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุ ร, รกายไปตกนรกอันนี้เรียกว่าเป็นภัยของใจที่ถ้ามาซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาเวลาตายไปใจของพวกเราก็จะปลอดภัยจะมีประกันป้องกันไม่ให้เราต้องไปเกิดเป็นเนรฉานเป็นเปรตไปตกนรก การจะซื้อประกันภัยของพระพุทธศาสนาก็คือการทำบุญทาทานและการไม่ทำบาปคือการรักษาสี่ห้านี่คือเป็นการซื้อประกันภัยถ้าใครได้แต่มีแต่ทำบุญไม่ทำบาปลักษาสี่ห้าข้อได้พระพุทธเจ้ารับประกันว่าตายไปไม่ต้องไปเป็นเละชานไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปเป็นอสูรกายไม่ต้องไปตกนรกเพราะพระพุทธเจ้านี่ได้ทรงตัดสรูวเห็นเหตุที่จะพาให้พวกเราหลังจากที่ตายไปแล้วไปอาบายกันนั่นก็คือการกระทำบาปเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปด การดืม่มโซรายาเมามการกระทำเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้พวกเราต้องไปรับผลบาปกันก็คือไปเกิดเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นสัตว์ในรชาน<ม>หรือไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นเปรตเปรตก็คือขอทานทางจิตวิญญาณ เป็นผีเป็นอสุรกายหรือไปนรกเพราะว่าเหตุที่เราทำกันคือการทำบาปจะเป็นผู้อาให้เราไปเหมือนกับคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องไปรับใช้โทษในคุกในตารางคุกตารางก็เป็นเหมือน อ, อบายนี่เอง คนที่ไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางคนที่ไม่ทำบาป ก, ก็ไม่ต้องไปอาบายนี่คือประกรันภัยของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะมีความปลอดภัยจากการที่จะต้องไปรับผลบาป ก, ก็อย่าทำบาปให้ทำแต่บุญเพราะบุญนี้จะพาให้เราได้ไปเที่ยวในสวรรค์กัน ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์กันนี่คือเรื่องของการมาซื้อประกันภัยส่วนประกันชีวิตนี่คืออะไรก็คือประกันให้เราไม่ต้องมาตายกันอีกต่อไปบริษัทประกันชีวิตที่เราซื้อประกันชีวิตนี้เขาไม่สามารถประกันชีวิตของเราได้เขาเพียงแต่ประกันความสูญเสียที่เกิดจากการเสียชีวิตของเรา เช่นเราตายไปเขาก็จะให้เงินทองแก่ครอบครัวของเราทดแทนเงินทองที่เราจะหาได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราตายไปเขาก็จะมารับหน้าที่เอาเงินทองมาให้กับครอบครัวของเราต่อไปแต่เขาไม่สามารถประกันชีวิตของพวกเราได้แต่พระพุทธศาสนาใน สามารถประกันชีวิตของพวกเราได้ด้วยการสอนให้พวกเราปฏิบัติทมกันให้เราถือศีลของนักบวชเช่นถือศีลแปดแล้วให้เรามานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาให้รู้ว่าอะไรคือเหตุที่ทำให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกัน ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้สงสอนให้ปฏิบัติได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาตายกันอีกต่อไปเพราะเราจะไม่กลับมาเกิดนั่นเองการไม่เกิดนี้จะทำให้เราไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่ถ้าเรายังกลับมาเกิดอยู่เราก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันนี่คือกา ร, รซื้อประกันชีวิตของ พระพุทธศาสนาก็คือให้ออกบวชกันเป็นนักบวชหรืออยู่แบบนักบวชถือศีลของนักบวชคือศีลแปขึ้นไปนอกจากศีลห้าแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกสข้อข้อที่สก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วข้อที่6กก็ไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานอาหาร ตามความต้องการของร่างกายถ้ารับประทานตามความอยากแล้วมันจะรับประทานมากแล้วจะทำให้ขี้เกียจง่วงนอนจะไม่อยากจะปฏิบัติจะไม่อยากนั่งสมาธิจะไม่อยากฟังเทศน์ฟังธรรมก็เลยต้องรับประทานอาหารพอประมาณคือไม่มากเกินไปไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว เพราะจะได้เอาเวลาตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงเวลาหลับนอนเป็นเวลาที่มาปฏิบัติธรรมกันเพราะการปฏิบัติธรรมนี้จะมาหยุดต้นเหตุของการมาเกิดนั่นเองต้นเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยว อยากทำอะไรต่างๆตามความอยากถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจมันก็จะดึงความอยากเหล่านี้ก็จะดึงให้เรามามีร่างกายอันใหม่เวลาที่ร่า ง, ไงไกายอันเก่านี้ตายไปความอยากยังมีอยู่ในใจมันก็จะดึงให้ใจเรามามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่พอมีร่างกายแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ถ้าเรามาปฏิบัติทำหยุดความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือทำตามความอยากต่างๆนั่นเองนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราออกบวชกันถ้าทำได้ถ้ายังทำไม่ได้ก็ให้ซื้อประกันภัยไปก่อนให้ทำบุญ ให้รักษาศีลไปก่อนแล้วถ้าเรามีกำลังมีศรัทธามีความสามารถเราก็มาเป็นนักบวชกันเพราะถ้าไม่เป็นนักบวชเราจะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญามาฟังเทศน์ฟังธรรมที่จะเป็นเครื่องมือในการหยุดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปนี่คือเรื่องของการซื้อประกันชีวิตพระพุทธเจ้านี้ท่านได้ซื้อประกันชีวิตเป็นคนแรกท่านไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายเีกเหมือนกับพวกเราแล้วหลังจากนั้นท่านก็เอาประกันชีวิตนี้ไปขายให้กับพระสาวกพระสาวกหลังจากซื้อประกันชีวิต ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปพวกเราก็สามารถที่จะซื้อประกันชีวิตนี้ได้สามารถที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้ถ้าเรามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความพยายามที่จะปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นท่านสอนให้เราซื้อประกันภัยก่อนให้เรามาหัดรักษาศีลห้ากันก่อนให้เรามาทาบุญทาทานอย่างที่พวกเรามาทํากันในวันนี้เป็นการมาซื้อประกันภัยถ้าเรารักษาศีลห้าได้ถ้าเราทำบุญทำทานได้เราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปเราก็จะไปเกิด เป็นเทวดาไปสวรรค์กันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำทานใหม่มารักษาศีลใหม่แล้วเราก็จะเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดเช่นในวันพระพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราหยุดทำงานกันแล้วมาวาัดกัน มารักษาสิงแป่กันมาอยู่วัดกันเพื่อที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมกันมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบความอยากก็จะหยุดไปหายไปแปลว่าเพียงแต่ว่ามันหายไม่ถาวรพอเราออกจากสมาธิมาความอยากมันก็จะโผล่กลับขึ้นมาใหม่เราจึงต้องใช้ปัญญามา ทำลายความอยากให้หมดไปปัญญาก็คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้สอนค้นพบว่าการมาเกิดนี้เกิดจากความอยากต่างๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดไม่อยากกลับมาตายก็อย่าไปอยากเราอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องทําตามความอยากถ้าเรามีสมาธิมีความสงบเราก็มีความสุขแล้วอย่างนั้น เราต้องพยายามทำใจของเราให้สงบขึ้นมาก่อนเพราะใจสงบแล้วเราจะมีความสุขแล้วความเราจะไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากได้ไม่อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเรามีความสุขแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นอีก เพราะความสุขที่เราได้จากความสงบมันดีกว่าความสุขจากการกระทำความอยากต่างๆและการทำตามความอยากก็จะทำให้เราต้องมาทุกข์ในภายหลังเพราะสิ่งที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปพอเขาจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปความสุขที่ได้จากเขาก็จะหมดไปความทุกข์ก็จะกลับมาทันที การทำตามความอยากจึงเป็นการไปทำความทุกข์กันไม่ใช่ไปทำความสุขกันให้เรามาทำความสุขด้วยการทำใจให้สงบดีกว่ามาหัดนั่งสมาธิกันมาไหว้พระสวดมนต์กันสวดมนต์ไปเพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอเราไม่คิดแล้วใจเราก็จะไม่มีความอยากพอไม่มีความอยาก ใจก็จะสงบใจก็จะสบายมีความสุขนี่คือการซื้อประกันชีวิตต้องปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาตัดความอยากต่างๆพระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงตัดสรู้ว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราต้องวุ่นวายใจกันต้องทุกข์กัน ก็วเวลาอยากแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขต้องไปทำสิ่งที่เราอยากทำต้องไปซื้อของที่เราอยากได้แต่พอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกกับการดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาทุกขกับการสูญเสียเพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสียหรือมันก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากมันไปนี่คือปัญญาที่พุทธเจ้าทรงเห็น ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขแต่พวกเรามองไม่เห็นกันพวกเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นสุขคิดว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่ได้คิดถึงเวลาที่เสียมันไปว่าเป็นอย่างไรเวลาได้แฟนมาก็มีความสุขเวลาแฟนจากเราไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาได้เงินได้ทองก็ดีใจ เวลาเงินทองหมดก็เสียใจนี่คือความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันเราจึงต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกวิ่นกายที่พวกเราหากันอยู่ทุกวันนี้มันล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้น เพราะว่ามันไม่เป็นของถาวรมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปพอหมดไปความสุขที่ได้มาก็หมดไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาจึงทาให้เราต้องหากันอยู่เรื่อยๆหามาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอจะมีความอยากอยู่เรื่อยๆจึงทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ถ้าเรายังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอะไรต่างๆก็จะทำให้เราต้องกลับมามีร่างกายกันเพราะร่างกายมันมีตาหูจมูกลิ้นกายที่เราจะใช้เสพกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือพบกับพระสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าท่านก็นจะสอนให้พวกเราเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบกันมาหัดนั่งสมาธิกันมาหัดเจริญสติด้วยการเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ พอเราไม่คิดแล้วใจเราก็จะไม่วุ่นวายจะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรนะพอใจเรามีความสุขแล้วเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากก็ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาหยุดมันว่าทาแล้วมันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวยิกต้องหมดไป พอหมดแล้วเราก็จะต้องทุกข์จะต้องเสียใจนี่คือวิธีที่พระ เ, เจ้าสอนให้พวกเรามาซื้อประกันชีวิตกันมาหัดปฏิบัติทำกันหัดนั่งสมาธิกันหัดใช้ปัญญากันปัญญานี้ก็ง่ายๆมีสามข้อเท่านั้นท่านสอนให้พวกเรามองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังเพราะมันไม่เที่ยมมันเป็นของชั่วคราวอนาตตามันไม่ได้เป็นของเราเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเป็นอะไรเราหยุดมันไม่ได้เช่นร่างกายของเราเวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราห้ามมันได้มันก็ต้องเป็นของเรา แต่มันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟมันอยากจะกลับไปหาดินน้าลมไฟร่างกายของพวกเราต่อไปมันมก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราให้เรามองอย่างนี้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นดินน้ำลมไฟเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นของเรามันก็จะทาให้เราทุกข์กัน นี่คือปัญญาให้จำไว้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราถ้าเราจำได้เราก็จะไม่อยากได้อะไรเรามาอยู่กับความสงบดีกว่ามาหาความสุขจากความสงบที่เป็นของเราที่เป็นของเที่ยงจะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่มีวันจากเราไป นี่คือสมบัติที่แท้จริงของเราก็คือความสุขที่ได้จากความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิที่ได้จากการเจริญสติพุทโธพุทโธไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาทำกันมาซื้อประกันชีวิตกันถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ พอหยุดความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือการซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาเป็นการซื้อความสุขที่ถาวรที่พระพุทธเจ้าได้ซื้อแล้วและภาษาวกทั้งหลายได้ซื้อแล้วท่านก็เอามาขายให้กับพวกเราถ้าพวกเราซื้อพวกเราก็จะได้ประกันชีวิตเหมือนกัน จะไม่ต้องกลับมาตายอีกต่อไปแต่ตอนนี้เรายังต้องตายกันเพราะเรายังไม่ได้ซื้อประกันชีวิตกันถ้าเราซื้อแล้วถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะตายเราก็จะไม่ทุกข์กับการตายเพราะถ้าเรามีประกันชีวิตแล้วเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์กับความตายเพราะว่าเราจะไม่มีความอยากไม่ตาย ความความทุกข์ที่เกิดจากความตายนี้เกิดเพราะว่าเรายังอยากไม่ตายกันยังอยากอยู่กันแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้มันต้องตายอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องตายอยากแล้วทุกข totally ài, ์ถ้าไม่อยากเราไม่ทุกข์เราก็ไม่อยากกันดีกว่าเราหยุดความอยากได้หยุดความอยากไม่ตายได้พอเราหยุดความอยากไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความตายต่อไป นี่คือเรื่องของการมาวัดมาซื้อประกันภัยมาซื้อประกันชีวิตถ้าอยากซื้อประกันภัยก็รักษาศีลห้าแล้วก็ทำบุญทำทานไปถ้าอยากจะซื้อประกันชีวิตก็ต้องถือศีลแปดแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญากันฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเราก็จะได้มีประกันชีวิต ที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายกันอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาซื้อประกันภัยและประกันชีวิตนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญแค็งแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ